สิกขาบทที่สภิกษุนีบวชให้กุมารีมีอายุครบ20ปิปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่สง์ยังไม่ได้สมมุติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบักกยายาบตออาบปาจิตตี